หลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นหลายตอนนับแต่ขั้นพื้นพื้นจนถึงขั้นสูงสุดแห่งทาถ้าถ้าเป็นร้านค้าของเป็นร้านสนรรพสินค้าแอสสินค้าไม่มีอัดมีอมีอันในการจำหน่ายต่อลูกค้า หาเลือกได้ตามความชอบใจผู้มีคุณตุนครับมากน้อยเลือกซื้อได้ในห้างสำาสินค้านั้นเพราะมีพร้อมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เครื่องเล่นของเด็กจนกมาทัาง สินค้าที่มีค่าอันสูงส่งศาสนาธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คารนักบวชที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองมีอย่างพร้อมหมุนแล้วในศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น ทำจึงเป็นหลักปกครองโลกได้เป็นอย่างดีไม่มีที่ต้องตินับแต่เด็กขึ้นไปถึงผู้ใหญ่นับแต่รายบุคคลไปถึงส่วนรวมและทั่วโลกดินแดนชาตต่างคนต่างมีความสนใจ ดังที่มีความมุ่งหวังความสุขความเจริญ อ, อยู่แล้วนั้นธรรมะจะเป็นเครื่องสนองความต้องการของคนให้สมความมุ่งหมายโดยไม่ต้องสงสัย์โลกกีหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่งซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมนี้ เข้าย่าดีตีแหลกภายในจิตใจของศา์โลกเพราะฉะนั้นโลกจึงมีความโลภมากเป็นภัยมากความโกรธมากเป็นภัยมากความหลงมากเป็นภัยมากต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยยิ่งเป็นผู้มีอานาจราจศักมากเพียงไร นำค่าสึกทั้งสามอย่างนี้ออกช้ด้วยแล้วโลกนี้ย่อมเป็นโลกบรรยายได้โดยไม่ต้องสงสัยหนเวลานี้มีแต่สิ่งที่เป็นค่าสึกต่อความสงบสุขของบ้านเมืองออกทาหน้าที่ไม่หยุดหย่อนไม่ว่าสถานที่ใด ร้อนกันไปหมดทั่วโลกดินแดงเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยทําให้ผู้หนึ่งผู้ใดไ ด, ได้รับความร่มเย็นร่มเย็นแม้จะสามารถทําโลกให้ร่มเย็นได้ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไรได้โลกจําต้องยอมรับกันในเรื่องความทุกข์ความลำบากค่อนข้างที่มีความรู้แต่ความรู้นั้นกลายเป็นเครื่องไปเป็นเครื่องมือของ สิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความสงบสุขของโลกเสียแล้วเนีการส่งเสริมสิ่งที่เป็นค่าศึกขึ้นมาภายในตัวและสังคมตัวทั่วไปยึงเป็นเหมือนกับการส่งเสริมไฟให้ลุกลามใดญโตมากขึ้นโดยลำดับจนหาขอบเขตหาประมาณไม่ได้ ยังฝืนให้เป็นไปอย่างนั้นโดยไม่เห็นโทษของมันว่าเป็นฆาสิทธ์ต่อความสมบูรุกของโลกอยู่แล้วโลกย่อมจะบรรลัยเพราะสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เราพูดถึงภาคทั่วไปแห่งธรรมที่เป็นเครื่องปกครองโลกได้เป็นอย่างดี ถ้านำไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่สนใจในทำเครื่องปกครองให้ความสงบเย็นนี้ได้แล้วก็ไม่พ้นที่จะเจอพื้นเจอไฟเจอความเดือดร้อนอยู่ร่ำไปทุกชาติชั้นวันลนะอย่างมนุษย์เดาฐานะใดไม่สำคัญอันนี้สำคัญกว่ามีอำนาจกว่าทุกอย่าง เมื่อสิ่งนี้บ่งการลงไปแล้วย่อมเป็นไปตามความบ่งการของสิ่งนี้โดยหาพ้อคาดคานต้างท า, านไม่ได้เพราะความรู้ความฉลาดสิ่งนี้เหนือกว่าอยู่แล้วย่นเข้ามาจากส่วนใหญ่คือโลกเข้ามาสู่สังคมเข้ามาสู่ครอบครัวเข้ามาสู่ตัวของเด็ก เมื่อโลกเป็นเรื่องใหญ่โตทาไม่สามารถจะเอื้อมถึงและไม่มีใครสามารถที่จะแนะนำสอสอนโลกให้เห็นคุณค่าแห่งธรรมยิ่งกว่าคุณค่าแห่งปืนไฟที่เป็นอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ต้องย้อนเข้ามาสู่วงแคบโดยลำดับจนกระทั่งถึงตัวเราโลกไม่สามารถที่จะลุขคลองตน ปกครองกันได้ด้วยความเป็นธรรมแต่เราต้องให้ยามให้ผิดแปลกจากโลกที่เขาไม่สามารถกลายเป็นผู้สามารถขึ้นมาปกครองตนด้วยธรรมฉตพาะยางยิ่งคือ น, นักบวชเป็นผู้พร้อมแล้วในการปฏิบัติธรรมทุกอาการที่เคลื่อนไหวไปมาและทุกียาบท ทุกสถานที่เป็นสถานที่ียบทที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเจตนาของเราเองก็สราบทัดภายในตั ว, วเรามีความมุ่งหวังต่อสิ่งใดเราจึงได้ยอมตนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราก็มุ่งต่อความสงบสุข ภายในจิตใจมุ่งอัดมุ่งทำทานั้นให้ความร่มเย็นแก่เรามากน้อยตามกําลังที่เราประพฤติปฏิบัติทำนั้นขั้นนั้นๆได้หรือข้อนั้นนั้นได้การบวชเป็นการประกาศเพศของตนให้โลกทราบทั่วทั่วไปว่าเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะเป็นคนดี ทีประผฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นของดีให้ดีขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเลิรเป็นบุคคลดีเลอรเป็นพระดีเลิรภายในตนโดยไม่ต้องอาศัยผู้หนึ่งผู้ใดามาเสกสรรตั้งยอก้อตางเป็นความดีและเป็นความดีเลิรอยู่ด้วยการกระทําของตนนี่เราทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจงนําความที่ตนทราบภายใน จ, ใจิตใจ นี่อยู่แล้วออกแสดงออกทาหน้าที่ให้เต็มไม่เต็มหน่วยของตอย่าได้ลดลนะท้อถอยพึงงามความดีอันจะพึงได้จากาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าทำทุกข้อทุกขั้นทุกภูมิไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าจะนำผู้ปฏิบัติตามธรรมนี้ให้ตกทุกข์ได้ยากลำบากเข็งใจ หรือตกในโกหมกใหม่นะครับความทุกข์ทรมานเพราะการประพฤติปฏิบัติทมพาให้โลกจบไม่มีข้อสงสัยแล้วแม่นิดนเพราะเป็นส่วนขาตธรรมปรัดไม่ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่พระองค์นำมาสั่งสอนโลกทรงคนนดูทั้งหกพระพันษามาทดสอบกับพระไทย คือโรคซึ่งมีอยู่ภายในนั้นแก้ไขกันโดยลำดับลำดาษจนเป็นที่ได้จนได้ผลเป็นที่แนบถ่ายสุดส่วนแล้วจึงนำทานั้นออกมาสั่งสอนโรกทานั้นจึงกลายจึงเรียกว่าสวกอาตธรรมตัดไว้ชอบแล้วไม่มีข้อขัดแยง้งและเป็นนิยาม น, นิกระทํา นำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากสิ่งปิดขวางปิดบงังสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกได้โดยลำดับตามกำลังความสามารถของตนนี่ธรรมมีอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นพระองค์ทรงรับรองยืนยันแล้วโดยถือพระองค์เป็นองค์ประกันในคุณภาพแห่งธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ว่าไม่เป็นอื่น นอกเหนือจากเป็นธรรมด้วนๆและเป็นของกระเสริฐเลิ่ยิ่งกว่าโลกไหนๆโดย่ายเดียวเท่านั้นเราจริงไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความล่มจมเพราะการทุ่มเทกำลังความสามารถ ในลงในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการต่อสู้กิเลสอันเป็นตัวพิกตัวภัยหรือเป็นค่าศึกอยู่ภายในใจิตใจมานานด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องตาราปราบปรางเพราะทมเป็นที่รับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายถ้าเป็นยาก็เรียกว่าได้ทดลองมาเต็มที่แล้วเห็นผลเป็นที่พอใ จ, จก็จับใจแล้ว จึงนํามารักษาโรคแต่ละประเภทก็ผิดโรคเมื่อต้านทานยาชนิดนี้หมอต้องในพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหม่มาแก้จนกระทั่งโรคไม่สามารถจะต้านทานยาได้แล้วคนไข้ก็หายจากโรคโรคภายในจิตย่อมมีการต้านทานยาคือทำเหมือนกัน เราทำด้วยอุบายนี้เป็นความชินชาต็อแสดงว่ากิเลสนั้นมีความต้านทานทำต้องคลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอุบายวิธีต่างๆจนสามารถระงับดับกิเลสประเภทนั้นๆลงได้ด้วยวิธีการนั้นๆเช่นเดียวกับหมอ พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหม่มาแก้โรคที่ท่านทานยาจนหายไปได้อุบายวิธีประพฤติปฏิบัติตนตึงขึ้นดูกลมกับความฉลาดแหลมคมของผู้จะปราบพิเรดตัวฉลาดยอมใจพบเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแก้กันไม่หลงแก้กันไม่ตกต้องได้ใช้อุบายเสมอญาต ติดความถูกความสบายอันเป็นนิสัยกิเลสนอนเนื่องของกิเลสฝังอยู่อย่างลึกลับเราไม่อาจทราบได้ว่าความนอนใจหรือความสบายอันนี้ว่าเป็นไผ่ต่อเราเองเราเห็นว่าความทุกข์เพราะการประกอบความภาเกเพียนเพื่อจะแก้กิเลสเหล่านี้ว่าเป็นภั่ซีอย่างนั้นก็หาทางรอดไปไม่ได้เพราะขัดจาก ความมุ่งหมายของธรรมว่าวิริยนณรุขขมาเตติคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอหนาจแห่งความเพียนในระหว่างการประกอบความเพียนอยู่นั้นความทุกข์ก็ต้องเป็นไปตามๆกันเป็นปีเดียวเดียวกันกับเชือกเหมือนเชือกนั่นเองจะไม่ได้รับทุกข์ได้อย่างไรผู้มุ่งตราต่ธรรมย่อมไม่คำานึงถึงความทุกข์ที่เป็นไปด้วยการประกอบความตักเียน ยิ่งกว่าการเห็นภัยของปิเลสซึ่งเป็นค่าสึกอันใหญ่หลวงภาณในจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะควรคำหนึ่งตั้งหลับผู้ปฏิบัติเราเขาเขาร่ำเรียนในห า, าหาวิจาัยหรือโรงเรียนโรงร่ำโรงเรียนต่างๆได้ความรู้วิชาออกมา แยกแบ่งกระจัดกระจายไปทุกแห่งทุกหนเกิดกลายเป็นผู้มีความรู้ทั่วๆไปเพราะความรู้ที่เขาเรียนมาจากโรงเรียนหรือมาหาวิาลยนั่นนั้นเราเป็นผู้มาศึกษาอัดธรรมจากครูจากอาจารย์ในสํานักต่างๆก็เช่นเดียวกับเข้าศึกษาโรงเรียนหาความรู้ดิชาจากโรงเรียนต่างๆของเด็กนั่นแหละของคนทั้งหลายนั่นแหละเขาเขาได้ไปประพฤติปฏิบัติ เขาได้ความรู้วิชาไปแจกจ่ายตลอดทั่วถึงเราทำไมแม้จะแจกเรายังไม่ได้มันไม่เลวไปมากเหรือเราต้องคิดให้ก่อนี้วิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญซึ่งเรามุ่งสละคลัวิชาเยืเรือนชีวิตกิตใจสมบัติเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่โลก เห็นว่าเป็นของมีคุณค่าน่าชอบใจออกมาสู่ความเป็นพระเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่านั้นเป็นไหนไหนทำไมเราจะไม่มีกําลังใจที่จะต้องประพฤติปฏิบัติทําไมเราจะฝ่าฟื้นความทุกข์ความยากความลำบากเพื่อความเท่าเทียมนี้ไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นคนเช่นไรก็เป็นคนเหมือนกันกันกบเราสาวกเป็นคนเช่นเดียวกับเราท่านผู้ผ่านไปแล้ว ไม่มีภยัยมีเวรไม่มีทุกข์ทหลายติดตัวติดองค์ท่านไปเลยท่านก็เคยผ่านทุกมาแล้วด้วยความท่าเพียนเช่นเดียวกันเห็นได้เราจะผ่านความทุกเหล่านี้ไปกับความเพียนไม่ได้ทําไมเราจะสนิทสนมกับความทุกข์นี้เพื่อความเพียนไปไม่ได้ทําไมเราจะเห็นว่าความทุกเหล่านี้เป็นพิษภัยต่อเรายิ่งกว่ากิเลสเป็นภัยต่อเรา เราต้องย้อนหน้าย้อนหลังพินิจพิจารณาผู้ปฏิบัติเพื่อแก้ทิเลตต้องแทรกต้องซ้อนอุบายวิธีการต่างๆเพื่อจะปลดเครื่องตนให้หลุดพ้นจากทิเลตไปได้โดยลําดับจึงจากว่าเป็นผู้หาความรู้ความฉลาดจากครูจากอาจารย์จากอาาัดจากธรรมนี่การปลดปฏิบั ต, ปปบติเป็นอย่างนี้อุบายวิธีให้ต่างๆให้ผุดขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วอย่าให้รอให้เสียไปนั่นเวลาในขณะที่จะทําความสงบแา่จิตใจด้วยสมถะธรรมก็ให้เป็นความจริงความจังต่องานนั้นๆจริงๆอยา่าทํารอเลยถือเป็นกิจเป็นการเป็นงานอันเดียวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีงานใดเข้ามาเจือปนไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ใดเข้ามาเจือปนมีแต่อารมณ์ที่เกี่ยวกับทำเพื่อทําอยู่โดยเฉพาะในวงปัจจุบันนี้เท่านั้น เป็นอารมณ์ของจิตโลกเป็นเหมือนไม่เหม น, นั่นแหละที่ว่าเป็นผู้ตั้งหน้าต่งตางๆเพื่อความสงบใจด้วยธรรมสมถธรรมนั้นจริงๆผลก็เป็นขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะท่านที่เป็นไสมาสของพวกเรานั้นท่านได้ผ่านไปแล้วด้วยอุบายวิธีนี้จึงได้สอนพวกเราไว้ในขณะที่จะพิจรารณา แยกแยกดูสภาวะธรรมทั้งหลายนับแต่ขันทั้งห้าคือกองรูปได้แก่ร่างกายของเราเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจทันยาสังขนันวิญญาณแต่และอย่างอย่างเราก็แยกแยกพินจพิจารณาให้ปผสมประสานกันเพื่อความแจ้งแจ้งชัดเจนภายจิตใจโดยทางปัญญาความจริงซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วในขันนี้จะไม่ประกาศจะไม่เปิดเผยขึ้นมา ให้สติปัญญาของเรารับทราบกันหน้าอย่างถึงใจได้อย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่รอรับกันอยู่แล้วด้วยภาคปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงเปิดเผย อ, อยู่ด้วยความจริงของตนไม่ได้มีอะไรลี้ลับนอกจากกิเลสเป็นผู้ปิดบงังจึงกลาเป็นของลี้ลับขึ้นมาเท่านั้นที่เราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภยัยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา เป็นอาตุภาอาตุพังเป็นของปฏิกูลโส โ, โกรเพราะทพิเรตตัวเดียวเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังความจริงนี้ไว้เอาความจําปลอมเข้ามาเสกสรรปัญยอมาปิดตาปิดใจของเราเสียเราจึงหลงหุ่งง่ามตรงเที่ยงไปกระกำมัดแล้วเคยหลงนามามากน้อยแย่ไรแล้วอุบายวิธีเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องความจําปลอมของเด็กที่มันปิดหูปิดตาจมูกเล่นการของเราอยู่ทุกวเวลา มีแต่มันเป็นผู้เดินหน้าโดยถ่ายเดียวตาสัมผัสรูปจะเป็นรูปชนิดใดก็าตามมีแต่กิเลสเป็นผู้ทำการทำงานเสียเองเสียงกระทบหูจะเป็นเสียงประเภทใดก็มีแต่กิเลสออกทำงานเสียเองกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกยิ่งกายตลอดถึงใจของเราก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นผู้ทำงานก่อนหน้าเราเสียเองทำออกหน้าออกตาไม่ได้สแสดงตัวไม่ได้ถูกกิเลสเหยียบย่ำธนาหรือปิดบงังหุ่มห่อไว้หมด เป็นเช่นนั้นความจริงจะเห็นได้ที่ไหนมันก็มีแต่ของปลอมทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นตัวจอมปลอมเป็นผู้ทําหน้าที่ของตนอยู่ผลหน้าหน้าก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสคือความรุ่มร้อนพาใจิตใจอยู่โดยดีเพื่อเปิด <c oughs> ของจําปลอมนี้ออกด้วยหลักความจริงจึงต้องพิจพิจารณาให้เห็นตามความจริงนั้นด้วยธรรมโดยความตั้งสติลงให้ดีในจุดที่ตนพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปิดบงังลี้ลับเป็นของ เปิดเผยย่วด้วยความจริงที่ปิดบังก็คือกิเลสอย่างเดียวสติปัญญาก็เป็นความจริงประเภทที่จะต้องเปิดความจริงให้เห็นอย่างชท้จริงมีอยู่แล้วภายใน จ, จิตใจของผู้ชอบการ ค, นาคา้นคว้กาการพิิจพิจารณาเพราะสติปัญญาจะเกิดเฉพาะบุคคลที่ชอบค่อควรพินิจพารณาแต่ไม่เกิดสําหรับคนขี้เกียจไม่ชอบคิดอ่านแตจต้องอะไร เวลาจะพิจารณาทางด้านปัญดาก็ให้พิจารณาอย่างที่กล่าวนี้ร่างกายไม่ว่าร่างกายข้างนอกข้างในพิจารณาให้เป็นมรรคทางเดินของเพื่อความราบลื่นเพื่อความปวดเบื้องเป็นได้เหมือนกันหมดเพราะจิตติดได้ทั้งข้างนอกข้างในรักได้ทั้งได้เสียดได้โกรธได้ไทั้งภายนอกภายในเป็นจิเลสได้ทั้งนั้นการพิจารณาเพื่อแก้ไขถอดถอนสิ่งที่ เป็นภัยเหล่านั้นจึงพิจารณาพิจารณาหน้าทั้งภายนอกภายน์ในไม่มีข้อขัดแย้งกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนบรรดาสาวกทั้งหลายให้ไปเยี่ยมป่าช้าเพราะยังไม่สามารถมองเห็นป่าช้าซึ่งมีอยู่กับตัวของทุกคนทุกคนได้ในขณะที่เริ่มแรกการุปฏิบัตินั้นจึงต้องทรงสั่งสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปดูทั้งตายเก่าตายใหม่ตาช้าผีดิษ นอสมัยก่อนไม่มีการเผาการสังกัดตายแล้วก็ไปทิ้งเกื่อนอยู่ตามป่าตามโลกที่เป็นเดินต่าช้าง่ายฆ่าท่านไปพิจารณากรรมฐ า, านให้เห็นเป็นเรื่องน่าสลุดสังเวชเพราะคนตายแล้วให้ส่วนมากไม่น่าจะมีความกำหนักยินดีไม่น่าเพลิดเพลิื่นเรงพอจะให้เกิดความดื้อเนื้อดื้อตัวเพิ่มขึ้นเพราะการเยี่ยมป่าช้านั้น ผ่านจึงสอนถ้าไปเยี่ยมป่าชาที่มีอยู่บ้างท่านก็สอนไว้ในการปฏิบัติต่อซากกระสบประเภทนั้นเช่นผู้ตายใหม่อย่าด่วนเข้าไปเกี่ยวข้องให้พิจารณาที่ตายเก่าไปโดยลำดับลำดแล้วก่อนที่เป็นอสุภะอสุพังซึ่งเวลาพบแล้วเห็นแล้ว้เกิดความสรุดสังเวชเบื่อหน่าย อันเป็นอัด เ, เป็นทำเพื่อปลุกเครื่องตนเองให้หายกังวลในสิ่งเหล่านี้ที่เคยรักเคยชอบมาเป็นเวลานาไปโดยลําดับนัก็สอนให้พิจารณานี้ก่อนเมื่อสติปัญญามีกําลังพอที่จะกล้าเข้าพิจารณา อ, าา อ, าาอาาสุภะอสุพังในซากอสุขที่ตายใหม่ก็ให้พิจารณาขี้คายไปเช่นเดียวกับตายเก่าเพราะเป็นสภาพเหมือนกันเป็นตะเคียนยังไม่แตกไม่สลายยังไม่เน่าไม่พองขึ้นเต็มตัวของมันในขณะนั้นเท่านั้น แต่มันก็ทํางานท้องปันของมันไปด้วยความน่าคลองเปื่อยแปร ก, กระจายไปเช่นเดียวกับท่าจบทั้งหลายที่เป็นมาแล้วสอนให้พิจารณาเพื่อให้เห็นสิ่ ง, น, งนั้นนั้นแล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราเองซึ่งจะต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้ปกติก็เป็นอยู่แล้วภายในเป็นของปฏิกูลโสโคยู่แล้วนี่คือปัญญาพิจารณาภายนอกพิจารณาอย่างนั้น เพราะฉะนั้นจึงมีในทุดงข้อนอเหมือนกันนะ่าทุดมข้อเยี่ยมป่าช้าป่าช้านอกแล้วก็เทียบเข้ามาสู่ป่าช้าในาพอได้หลักได้เกณฑ์จากป่าช้าภายนอกแล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ภ า, ายในพิจารณาป่าช้าภายในนี้นะเป็นอันมหายสงสัยทั้งป่าช้านอกป่าป่าช้านอกทั้งป่าช้านายัยนะี่เปิดของจริงขึ้นมาให้เห็นตามความจริงตามขั้นภูมิของหมัด ไม่ตามพระภาพของมันที่เป็นอยู่จนทั่งถึงลงถึงธาตุธาตุเป็นกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปเท่านั้นคําว่าอสุภั้งก็หมดไปอา น, นิจังทุกขังอาต า, าค่อยๆหมดไปโดยลําดับตามขั้นของจิตของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นคําว่า น, นิจังทุกขออาตาก็ละเอียดไปตามปัญญาตามขั้นภูมิของสตกปัญญาที่คืองานได้และกลายเป็นขั้นธรรมละเอียดเข้าไปโดยลําดับๆจนกระทั่งถึง ยิ้มดดูดพ้นแล้วคําว่าอานิจจังทุกของอังตาก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับทางเดินของเราที่ไปสู่จุดต่างๆเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วทางก็หมดปัญหาไปในขณะที่ก้าวเข้าถึงสถานที่ตนต้องการจิตใจเมื่อข้าเข้าสู่แดนแห่งควา ม, มดุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วคําว่าอานิจจังทุกของอังตาซึ่งเป็นทางเดินเพื่อควา ม, มดุดพ้นก็หมดปัญหากันไปเองโดยไม่ต้องสลัดต้องปรับต้องทิ้งหากเป็นไป ด้วยความเหมาะสมของจิต ด, ดวงนั้นเองเช่นเดียวกับเราเดินทางกามาสู่จุดที่ต้องการนี้แล้วทางกับเราก็ไม่ต้องไปปวดไปเปลื้องซึ่งกันทละกัหากปวดปัญหาอันใดในตัวในตัวนั่นแหละมีขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้พิจารณาอย่างนั้นพิจารณาไม่เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเราอย่าเอาเวล่ำเวลาเอาการกำหนดนับเท่านั้นเท่านี้ไปเป็นกฎเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าการพิจารณา น่าเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นพิจารณาหลายั้งหลายหนหักค่อยเข้าใจเข้าไปเองทัดขึ้นโดยลํา ด, ดับๆจนกระทั่งพอตัวเมื่อพอแล้วการปล่อยวางก็ไม่ต้องบอกอุปทานความยึดมั่นนั้นเป็นผลของความรุ่มหลงของจิตเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเข้ามาเองไม่ต้องไปแยกไปถอนมันแ่ะมันถอนข้ามันเองการถอดถอน ความยืดมั่นถือมั่นอันเป็นเรื่องของกิเลสตัปกปันเสยียดแดนหรือตีหวัวตะปูย้ำเอาไว้นั้นย่อมเป็นอิสระขึ้นมาโดยลำดับลาดับพ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสมาเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งพ้นโดยสิ้นเชิงความอยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงของคนมันดีเมื่อไหร่จะเป็นผู้ใดก็ตาม ครูเขากดสี่บังคับทรมานทั้งการอยู่การกินการตายการมาการหลับการนอนในยาบททั้งสี่ตลอดสถานที่ต่างๆอยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับบัญชาความทรมานทั้งนั้นคนเราหาอิสระหาความปลุกได้ที่ไหนเช่นอย่างเขาติดคุกติดตลาดเป็นคนที่เสียอิสระหมดอิสระแล้ว คนธรรมดาทั่วไปจึงไม่มีใครต้องการจากเป็นคนคุกคนตลาดเพราะไม่อยากอยู่ในความกดขี่บังคับทรมานจากผู้หนึ่งผู้ใดนี่จิตใจที่ถูกเจเลศอาสารประเภทต่างๆกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาทําไมเรากลับยินดีทั้งๆที่เราประพฤติปฏิบัติธรรม่าทําเป็นของเลื่อนของปรากฏกว่าผู้เด็กเป็นไงหนักเห็นได้เราจรึงกลับยินดีในเรื่องของเจเลศมากขึ้นกว่าเรื่องของธรรม ถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมจากจิตเลียดอย่างแนบเนียนอย่างละเอียดตะอ้อ อ, อิ่งแล้วจะเป็นอย่างไรต้องเป็นเพราะเพลงของจิเดียดมันหอมหวนชวนให้ชมไม่ชวนให้ดูดให้ดื่มไม่มีวันอิ่มพอนั่นแหละสาตร์โลกทั้งหลายจึงติดกันได้นี่เรามีเครื่องมือพิสูจน์ได้แก่อัธรรมแล้วควรจะนํามาพิสูจน์ให้เห็นจริงเห็นจังกันในการประพฤติปฏิบททัติของเรานี่แหละวิธีการที่จะไปสูจน์ให้เห็นดําเห็นแดงให้เห็น เป็นความจัดกำจริงขึ้นมาระหว่างทำกับวิเลศต่างกันอย่างไรถ้าพูดถึงโทษกับคุณต่างกันอย่างไรพูดถึงเรื่องความวิเศษกับความเลวร้ายระหว่างทำกับวิเลสต่างกันอย่างไรจะทราบภายในจิตทของเนาภายในขันของเรานี้ภายในวงของผู้ปฏิบัติองค์ของเราตัวของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละผู้มาปฏิบัติจะไม่มีทางทราบได้สันทิฏิโกมอบให้เป็นสิทธิที่ของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองระหว่างวิเลศกับทำ ที่กำลังต่อสู้กันเวลานี้เป็นอย่างไรเรามีคณะตรงไหนบ้างหรือมีแต่ความแพ้อย่างลาบอย่างลากตลอดเวลาก็ไม่พ้นที่จะถูกกดขี่บังคับจากทิเดศตลอดไปเช่นเดียวกันเป็นของดีแล้วเหรอต้องคิดเรื่องเหล่านี้อุบายวิธีสั่งสอนตนต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปล ง, ปลงหลายตลบทบทวนร้อยสรรพันคมจึงจะทันกับปัญญาของทิเดศนี่ขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้ นแนวปัญญานั่นแหละที่จะพาให้จิตสงบเข้ามาอย่างไม่มนนีเยื่อใยกับสิ่งใดตัดขาดไปด้วยเมื่อพิจารณาชัดเห็นชัดเจนแล้วก็ตัดขาดกับสิ่ง น, นั้นเป็นลําดับดาลาดับแนวจะยังไม่ขาดสะบั้นลงหมดลงโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวก็ตา่างแต่ก็ไม่พ้นจากความเพียรที่พยายามจากสติปัญญาที่พยายามพิจารณาเยอะๆให้เห็นเป็น รักเป็นตอนขาดกันไปเป็นักเป็นตอนไปได้ทำที่ท่านกล่าวไว้ไม่ใช่กล่าวแบบโมฆะมีแต่ชื่อแต่เสียงมีแต่ตัวหนังสือแต่มีความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำอยู่ในศาสนธรรมที่ประกาศสอนไว้ไม่มีบกพร่องเลยความบกพร่องมันจริงอยู่ที่ เราผู้นับถือศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างแท้จริงเท่านั้นถ้าปฏิบัติตามหลักาศาสนธรรมอย่างแท้จริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผลที่ท่านเคยได้เคยเห็นประกาศาสอนพวกเราไว้แล้วนั้นจะมารวมอยู่ที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องสงสยัยเพราะไม่มีธาชนะใดสิ่งใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าจิตใจคือยิ่งกว่าใจดวงจะคอยรับทราบรับรูบรบรบ้รับเห็นกับธรรมทั้งหลาย และเป็นสถานที่หรือเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิไปจะรวมอยู่ที่ใจดังท่านท่านกล่าวไว้ว่ามนโนปุพังขมาธรรมามนโมนสิทถามโนมยายาธรรมทั้งหลายสําเร็จแล้วด้วยใจอยู่ที่ใจดีชั่วเกิดขึ้นที่ใจอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสสัมผัสใจเป็นผู้รับสวยทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอยู่ที่ใจท่านสอนมาอย่างนั้น เมื่อปฏิบัติให้เห็นตามความจริงไปโดยลําดับแล้วเราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าใจาไม่เป็นไม่เป็นผู้รับอรับธรรมตั้งหลายแต่กลายเป็นสิ่งอื่นนะครับรับธรรมแทนอย่างนี้ต้องเป็นใจเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินเป็นเครื่องมือสําหรับประพฤติปฏิบัติธรรมจะยังผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือเหล่านี้เข้ามาสู่ใจอยู่เดียว สติเป็นสําคัญอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแออย่าอินนาละอาใจต่อการตั้งสติถ้าม่อินนาละอาตัใจต่อมักผลนิพพานต่อความสุขอันประเสริฐเลิศกว่าโลกทั้งหลายแล้วอย่าอินนาละอาใจต่อการตั้งสติการพิจารณาด้วยปัญญาและต่อความเพียนทุกด้านทุกแน่ทุกหืให้มีความตั้งตัวเสมอเพราะ เล่าเป็นนักต่อสู้เล่าเข้าสู่แนวรบ ก, กับยิเรศแล้วเวลานี้ความอาอนทอดแฉอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเรศทั้งหมดทำงานอยู่บนหัวใจเราถึงไม่ควรให้มันมาแย่งิีมเอาจิต ด, ดวงเลิดดวงประเสริฐนี้ไปขยี้ขยำให้แหลกให้เหลือดังที่เคยเป็นมา แต่สมัยที่เรายังไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับศาสนธรรมและไม่เคยปฏิบัติเวลานี้เราได้ออกปฏิบัติแล้วเราให้กินให้จางต่อการปฏิบัติของตนทุกขยอมรับพระพุทธเจ้าก็ทุกมาพอแล้วสาวกก็ทุกมาพอแล้วประกาศทั้งทุกทั้งสุขให้พวกเราได้เห็นในตำหรับตำหลาครูอาจารย์องค์ไหนที่ว่าเป็นที่นับถือเคารพย่อสายของประชาชนทั้งหลาย องคไหนก็องค์นั้นอยากพูดว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีองค์ที่ล้างมือคอยเปิดเลยนอกจากเป็นผู้เดินตายมาแล้วจึงได้เห็นธรรมอนุธรรมทศเสด็จมาสอนพวกเราแล้วใช่ท่านสอนเราแบบอื่นท่านจะสอนได้ยังไงท่านเคยดําเนินมาอย่างไรได้เห็นผลมาเพราะวิธีการใดต้องนําวิธีการนั้นมาสั่งสอนดังศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศไวันี้ล้วนแล้วจะทรงประกาศ จากการที่เคยทรงดําเนินมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นแหละให้เราทั้งหายเจ้าทายจะพัชรหั่มคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกธาตุนี้หาว่าควรจะเป็นไปได้ด้วยวิธีการใดแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีใครยิ่งกว่าในเรื่องพระเมตพระเมตตาสตงสารสัตจะต้องหาวิธีการที่สะดวกสบายที่สุดให้สัตว์โลกได้ปฏิบัติและหลุดพ้นไปจากทุกข อย่างรวดเร็วแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้ยังเห็นว่าเหมาะสมเฉพาะมัชิมาปฏิปทานนี้เท่านั้นยากลำบากก็อยู่ในความเหมาะสมกับธรรมนี้ธรรมนี้เป็นธรรมที่ออกหน้าออกตาที่จะปราปรามที่เดชทั้งหลายให้ชิ่งทราบกปได้ไม่มีธรรมใดเหนือนอกเหนือไปจากมัิมาปฏิปทานนี้เลยนี่ท่านจึงได้ประกาศธรรมนี้ไว้ให้พวกเราทั้งหลาย มัชฌิมาคือความเหมาะสมกับการปราบกิเลยสรุปลงเเล้วคือศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็ได้รักษาอยู่แล้วโดยปกติไม่มีความนักกระลายในศีลวาด่าเพราะด้วยกรรู้ขาดไปที่ไหนหน้าที่ที่ยังไม่มีเพราะอะไรเพราะกิเลสมันขยี้ขยำกิตใจให้คุณมัวมั่วสุมกับมันอยู่ตลอดเวลาจึงหาความสว่างกระจ่างแจ้งหาความสงบร่มเย็นไม่มีไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้ว ทําวิธีใดจะทําให้จิตใจมีความสงบผ่ปปองสายได้เราก็ต้องพยายามเอาวิธีนั้นมาช้ายากลำบากก็ต้องสู้ท่องถังปัญญ า, าจะไม่จะเดลียวฉลาดก็พยายามทาพยายามคิดพิจิตรณาถ้าจะทํเลี้อรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันเหล่นา น, นี้แหละเป็นหินลับของปัญญาให้กลมก่้าขึ้นภาพิจรารณา หินเห่านี้ต้องเป็นหินลัปัญญาได้เป็นอย่างยิ่งทกก็เป็นหินลัปัญญาสมูทัยมันสอดแทรกขึ้นมาตรงไหนปัญญาก็สอดแทรกเข้าไปทําลายลงไปได้อุบายไปเรื่อยมีความสลัดแล้มคมเข้าไปเลือ่อยเรียกว่าสมูทัยเป็นหินลัปัญญาเขาเพราะคนมายาของสมูทัยที่แสดงออกมาแต่และอย่างและอย่างนั้นเป็นเรื่องที่จะให้ปัญญาได้ฟิตตัวเองให้ ตนาดแล้วผมยิ่งกว่ามันเข้าไปโดยลำดับลำดับมันมาไม้นี้ก็สู้ไม้นี้มาไม้นั้นสู้สู้ไม้นั้นสู้เรื่อยมาหลายเหลี่ยมหลายคมหลายสรรนะผมก็สู้กันแบบนั้นนันก็ทันกันปัญญาไม่ได้คมก้าเพราะการอยู่เฉยเฉยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการอยู่เฉยแต่เกิดขึ้นเพราะการพิจารณาและคมกล้าด้วยการพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังหลายตลบทบทวน เกิดขึ้นพ่อะผู้ชอบคิดแล้วบำรุงสติปัญญาด้วยการพิจิติจณาอยู่โดยส ม, ม่ำเสมอยอมมีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นโดยลำดับสุดท้ายกิเลส ก, ก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเลยนั่นแหละที่นี่เรียกว่าอิสระเสรีเต็มที่แล้วจิตที่ไม่มีอะไรกดท่วงเลย อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่มีสมมุติแม้แง่ใดก็ ไ, ขไปขัดไปแย้งไปจิตไปขวางจะให้เป็นจิตที่มีความถูกเกษมเต็มที่ได้อย่างไรจิตที่อยู่ใต้ความกดขีบ่บังคับอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับนักโทษที่ถูกกดขีบ่บังคับอยู่ในที่คุมขังตลอดเวลานั่นแหละแม้แต่นอนก็ยังต้องถูกบังคับ จะหาความสุขที่ไหนจากความเป็นนักโทษนั้นในจิตที่กําลังเป็นนักโทษพร้อมหนาาแข่งกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขความสบายที่ไหนความสงบร่มเย็นบ้างก็ไม่มีเพราะกิเลสไม่ให้สงบมันกวนตลอดเวลาความเฉลียวฉลาดที่พอมีที่จะปุบเรื่อขีิเลสกิเลสก็ไม่ให้มีเสียมันปิดขัานไว้หมดไม่ให้คิดไม่อ่านแต่ตรองละไรพอเป็นเหตุเป็นผลที่จะแก้หรืดับ ต่าความที่เหล่งได้แล้วจะหาความสุขความสบายความหุดท้นความเป็นอิสระได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องค้นคว้าจึงต้องพิณิพิจนจริงต้องฝืนการต่อสู้กันต้องฝืนไม่ฝืนไม่เรียกว่าการต่อสู้อยู่เฉยเฉยเรียกว่าต่อสู้ไงการทําหน้าที่ต่อสู้กันนั้นต้องฝืนทั้งนั้นนะแล่ละละมาก็ฝืนทุกก็ฝืนขัดข้องขนาดไหนก็ฝืนโง่ก็ฝืนความโง่ให้เป็นความสลี่ แต่ความโง่ลงด้วยความฝืนมันก็สลับสุดท้ายก็ไม่พ้นความพยายามแต่ได้ยังขอให้ทุกๆุกท่านนํารปเวทปฏิบัติเห็นที่ท่านมาแดนแห่งความเกษะเมอยู่ที่ไหนแล้วอ่านมาสะพอตามตำหนักตำราสมาธิก็อ่านซะจนน้ําลายจะมีในปากะแล้ ว, วปัญญาก็อา่านสะพอวิมุตหลุดพ้นก็อ่านก็เห็นแต่ตัวหนังสือ คนเขียนเป็นตัวเป็นตัวออกชื่อออกเสียงของบาปของบุญของนรกของสวรรค์ของกิเลสปัญหาประเภทต่างๆของมรรคผลนิพพานแต่กิเลสจริงจริงไม่ว่าประเภทไหนไม่มีในหนังสือนั้นมีแต่ชื่อสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็ไม่มีในหนังสือนั้นมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีมีอยู่ที่ใจของเราท่านสอนให้ย้อนเข้ามาดูที่ใจ เขียนไม่ใช่ตำราก็สอนเข้ามาที่นี่กิเลสอยู่ที่นี่บาปทำอยู่ที่นี่ศีลอยู่ที่นี่สมาธิอยู่ที่นี่ปัญญาอยู่ที่นี่กิเลสทุกประเภทรวมอยู่ที่หัวใจนี้มรรคทุกประเภทรวมอยู่ที่หัวใจปราบาลกิเลสก็ปราบกลางกันอยู่ที่หัวใจกิเลสมอบลาบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วความบุญพ้นกบคือใจดวงนี้เลยนี่สดุปแล้วดวงอยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นที่ใด ขอให้พากันลงใจในการพิจณปฏิบัติอย่าไปคาดต้หมายมาผลยุพธานว่าอยู่ที่นั่นจะนีนั่นเลี้ยวไหลจะคุกเงาหาความจริงไม่ได้จะเร็้ยวไหลสลอดไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรเห็นแนี้